ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ร่มพระโพธิญาณได้นําเสนอจึงหลักการศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์มาตามลาดั บ, ดบก็เราจะพบว่าสิ่งที่นํามารับสั่งเล่านั้นเป็ น, น, นเอเนกกระเรียยคือเป็นนยะต่าง ด้วยจะสอดคร้องกับผู้ฟังในขณะนั้นนั้นก็สาหรับวันนี้ก็นึกว่าจะมาเริ่มต้นจากจุดที่ทรงเปลี่ยนแปงแลงหลักการปฏิบัติที่จากจุดหนึ่งแล้วก็มาสู่การปฏิบัติในทางจิตใจ มีลักษณะที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นการเชื่อมต่อคือผสมผสานทฤษฎีทางวิชาการที่ส่งผ่านมาแล้วก็คือเริ่มต้นจากอนาปานสติกรรมฐานแล้วก็ผ่านสมาธิมาจนได้สมาธิในขณะสมาธิที่เพิ่มขึ้นที่เรียกว่าอุปจารสมาธิ แล้วก็เป็นอั ป, ปนาสมาธิคือสมาธิที่แน่วแน่หนักแน่นมั่นคงตึงหลักการเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยเป็นแนวการปฏิรูปไม่ใช่ว่าปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เคยมีอยู่ทั้งหมดแต่ว่าบางอย่างมันไม่ใช่เป้าหมาย บางอย่างมันก็หนักเกินไปคือแทนที่จะเกิดเป็นความสงบมันก็เกิดเป็นความพุ่งสั้นหรือว่าแทนที่จะเกิดสงบก็กลายเป็นความยึดติดมันก็ต้องพยายามปรับจิต ท, ทำให้อยู่ในจุดตรงกลางการศาึกษาพิจารณาตั้งแต่พวกปัจจัยการคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตัวทรงศึกษาพิจารณามาตามลำดับ ทางช่วงเกิดแล้วก็ช่วงดับหมายความว่าพิจารณาจากปลายมาหาต้นพิจารณาจากต้นไปหาปลายพิจารณาจากตรงกลางไปหาต้นพิจารณาจากตรงกลางไปหาปลายแล้วก็ทรงแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระไทยของพระองค์มาโดยดํางดั่งวันถ้าเรามองตัวนี้เป็นประเด็นหลักที่ควรจะจำเพราะว่า เรามีความสับสนในเวลาอธิบายพุทธประวัติโดยเฉพาะในกรณีที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นอัสสัตตพรึกแล้วก่อนที่จะ ส, สรุกมีพยามามมาผิจน์ก็มักจะอธิบายเป็นในรูปของกิเลสสมานเป็นพื้นนะคหรือแทนที่จะตรวจสอบแง่มุมของประวัติศาสตร์ าการศึกษาพระพุทธศาสนานั้นผู้ศึกษาจะต้องหาข้อเท็จจริงทั้งสามด้านให้ได้คือไม่ใช่เอาเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมาพูดแล้วก็สิ่งทั้งสามประการนั้นจะต้องสอดคล้องกันนั้นคือข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการล ะ, ะเทศะเนี่ยกับบุคคลการละเทศะบุคคลกับ ก, การกระทำ มันจะไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กันว่าเวลาอย่างนั้นสถานที่นั้นบุคคลผู้นั้นทำสิ่งอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนว่าก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปประทับนั่งภายใต้ต้นสมัยนั้นเรียกว่าอัสัตตพฤษนะฮะไม่ได้เรียกว่าต้นโพหรอกเพราะว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่เขานับถือในฐานะเป็นเจดีย์เพราะมีเป็นรูปจเจว็์คือมีแท่นเป็นที่นั่งได้อยู่แล้วพระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปประทับนั่งบนนั้นติถ้กรจะขึ้นไปเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนที่ได้พูดมาคราวก่อนโน้นนะฮะพูดมานาน พระองค์ทรงผ่านรูปปัจจันทสี่อรูปปัจจันทสี่ก็สมาบัตแปดนะครับ mm hmm. ก็กิเลสมันก็สงบไปแนละ้วเพราะถ้าเรามองดูว่ากิเลสเวลานั้นมันมีอะไรบ้าง mm hmm. กิเลสมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นอนุสัยเป็นสังโยชน์ไม่ได้อยู่ระดับนิวรณ์คือหมายความมามีนั่นแหละแต่ว่าเป็นตะกรอยู่ข้างล่าง ไม่ได้ขึ้นมากรุ่มรุมพระไทยของพระงเพราะว่าทรงสยบกิเลสเหล่านั้นไว้ด้วยรูปปานทั้งสี่และรูปปานทั้งสี่ถึงก็เป็นเช่นเดียวกับที่ทรงสัมผัสในสมัยที่ศึกษาในสำนักของท่านอาลาระบทกาลามโคตรอุตการดาบดรามาปุตแต่ว่ามันเข้าไปที่รูปปานเนี่ยกลึกเกินไปแล้วก็จนไม่มีอะไร ในสุดก็ทรงใช้เฉพาะพวกจจตุธาชาติแต่ก็ยกสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาตามกฎของปัจจัยหลักันสภาพประไทยของปองในทรงนั้นจะรับสั่งเล่าแก่โพธิราชกุมาร ดูก่อนรัชกุมาเรเ่านั้นเมื่อจิตตั้งมันเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของพระองค์ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะจะสร้นั้นพระองค์ก็บรรลุรูประชานแล้วถ้าเรามองในองค์มรรคเนี่ยจะเห็นว่ามรค่าข้อในสมบูรณ์มรคปลายต่หกข้อนะฮะสมบูรณ์ คือสมาวาจาสมาบันฑะสมาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธินี่สมบูรณ์แบบมล้ยังขาดที่สมาธิสัมมาสังกัปปะคือยังไม่สมบูรณ์ก็แสดงว่าทรงผ่านสีลสิขากับจิตตสิขามาแล้วก็ทำให้ทรงมั่นพระไทัยนะ ที่กล้าอธิษฐานแบบเด็ดเดี่ยวซึ่งถือว่าเป็นความเพียรที่ประกอบด้วยจตตรงกับมหาปทานคือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สีรับสั่งเล่าไว้ในปัญจมสูตรในกัมมกรณวัตทุกันิบาตอังคุตธธรณนิกายนะจะเป็นใจความว่า ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรก็เป็นหลักการในการปฏิบัติว่าการเจริญกุศลนั้นถ้าไปหยุดตรงใดทรงหนึ่งเนี่ยเขาห้ามไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมคือไม่ใช่ว่าพอแล้วหยุดแล้ว จะต้องใช้ความเพียรพยายามจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางในข้อนี้ได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในเกติวดานะในโอในโอค า, า, ราตระนาสุในชังยุตานิกายนะคือเทวดาเขากราบทุนถามว่าพระองค์ทำอย่างไรจึงข้ามโอค่าได้ก็รับสั่งว่าเราไม่หยุดเราไม่พยายามจึงข้ามโอค่าได้ เทวดาเลยงงไปเลยก็ดตอบให้เป็นปริศนาที่ให้คิดว่าบนเส้นทางของการเจริญกุศลนั้นต้าากว่ายังไม่บรรลุจุดหมายปลายทางแล้วหยุดเนี่ยมันก็คือไม่ถึงเพราะนันเรื่องของความเพียรพยายามที่ทรงชช้ก็ว่าความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเป็นอารัฐธวิริยะคือปรารบความเพียร หรืออยู่ด้วยความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางที่ทรงประสงค์แต่ทีนี้ถ้าหากว่าถึงแล้วแล้วกเกิดพยายามมันก็จะเลยไปเพราะภาพของการปฏิบัติธรรมะที่เราเรียกว่ามาชัชฌิมาปฏิปทาหรือแปลเป็นไทยว่าพอดีเนี่ยเรานึกถึงตัวน็อตต่างๆที่เราใส่ในเรื่องอะไรก็ตาม โตเป็นนิดเดียวเนี่ยฮะก็ขันน็อตไม่ได้เล็กเป็นนิดเดียวก็ขันไม่ได้จะต้องลงตัวเพี้ยไปเลยจึงจะสามารถใส่น็อตได้ผลธรรมะปฏิบัติที่มาอยู่ตรงกลางก็จะมีลักษณะยอย่างนั้นคือไม่เลยไปแล้วก็ไม่ถึงเราก็เทียบแล้วเหมือนกับอาการกีฬาทั้งหลายนะะเช่นยกตัวอย่างว่าคนที่เขาเล่นกอล์ฟเนี่ยลูกมันก็ต้องไปลงหลุมพอดี เลยไปนิดหนึ่งก็ไม่ถูกหรือว่าต่ำไปนิดหนึ่งก็ไม่ถึงเลยไปนิดหนึ่งก็ไม่ลงเหมือนกันก็กลายเป็นสูตรที่ค่อนข้างสากลเราไปจับอะไรก็ได้จับอาหารก็ได้จับการเรียนก็ได้จับการทํางานก็ได้การเจริญกระเาะอาหาก็ได้มันจะอยู่ในสูตรอย่างนี้ตลอดเพราะหลักการใหญ่จึงอยู่ที่ ต้องไม่พอใจคือไม่ยินดีในกุศลธรรมซึ่งหลักการตรงนี้เป็นหลักการที่ใช้ทั่วไปเพราะการเจริญกุศลก็ดีการละกุศลก็ดีนั่นเป็นเรื่องของความเพียรทั้งคู่ทีนี้ถ้าท้อถอยหรือว่าปล่อยวางความเพียรหรือละความเพียรมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับเราไหวทวนกระแสน้ําขึ้นไป ในสุดก็ปล่อยมือนะน้ําก็กระแทกเราก็ไหลกลับมาอยู่ที่เดิมความเพียายามในการเจริญกุศลในการละกุศลก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรพิทรงสั่งสอนว่าบุรุษควรใช้ความพยายามไปจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการแบบอย่างของพระหมาชนกนั่นก็เป็นแบบอย่างหนึ่ง แต่ว่าที่จริงวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ประมาบุรุษเนี่ยเป็นแบบอย่างนั้นคือจะเป็นหลักให้ได้ตลอดว่กรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้วิธีการที่พระโพธิสัตว์ทรงใช้ในทรงใช้อย่างไรแต่ถ้าเราก็ถือตามปฏิบัติตามนะฮะก็จะได้หลักในการครองชีวิตเพราะในช่วงตรงนี้เราจรึงเห็นหลั ก, กว่า พระองค์สัมผัสได้ลึกเยอะสามารถที่สัมผัสได้เยอะเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขกวิหารแล้วคืออยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แล้วหรือว่าเป็นนิพพานที่เห็นได้ในขณะนั้นหมายความว่าสยบ ก, กิเลสเอาไว้นะฮะเป็นนิพพานดิบแต่ว่านิพพานดีเกาเรียกวิวขัมภนะข่มไว้สยบไว้ แต่มันไม่ใช่จุดหมายปลายทางพ ร, าะาระอนุปงค์ก็ไม่ยินดีในตรงนั้นถ้าถามว่าถ้าอยู่ตรงนั้นสามารถจะเป็นคณาจารย์เจา้าลัทธิได้ไหมก็ได้นะก็เป็นคณาจารย์เจา้าลัทธิได้แล้วแต่ก็ทำให้เกิดความชัดเจนอย่างหนึ่งที่เรากำลังปริวิวตกกันในเรื่อง คำสอนที่เกี่ยวกับนิพพานเป็นอายตนานิพพานเป็นแดนนิพพานนะฮะมีพระพุทธเจ้าไปนั่งเป็นเหมือนพระพุทธรูปอยู่ที่อายตนานิพพานเนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างเนี้ยคือเราจะเห็นว่าตรงเนี้ไปได้แล้วตรงนั้นนะเพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่ในรูประดับของอสัญญีสัตตาอสัญญิสตาก็คือเป็นผลของเจตุทะชาในจตุกนายนะฮะเป็นผลของปัญจมาชาในปัญจกนัย หมายความถ้าพูดถึงรูปประจำสี่ก็เป็นผลของรูปประจำที่สี่จะเป็นพูดถึงชานห้านะฮะก็พูดถึงก็เป็นผลของรูปประจำที่ห้าแล้วก็มีเฉพาะรูปประคันอยู่อย่างนั้นนา น, นแสนนานเลยที่จริงท่านนับเอาไวน้นะมันจะนับไม่ไหวตัวเลขผมก็เรียกยากพูดไปก็อย่างนั้นก็จำไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสังขยาของเราเนี่ยเรามีเป็นล้านท่า น, นั้นเองคือเรานับตามฝรั่งไปแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราลองถามเด็กสมัยนี้ว่าโกรธหนึ่งนี่เท่าไรเด็กตอบไม่ได้แต่สมัยโบราณเราลอนสังเกตว่าเราไม่นับแบบฝรั่งเรานับแบบบาลีเรานับถึงอสงไข่เรานับถึงหน้าขุดถึงสีหน้าขุดถึงคาเรียอ ะ, รอะไรต่างๆเนี่ยมีต่างๆปเป็นันมากโดยเอกสารสมัยเก่าเนี่ย เราสังขยะเราไกลกว่าข้ลังเยอะเลยแต่เวลานี่ยเราก็ไปนับตามขาลังก็บอกว่ารัฐบาลสร้างหนี้ขึ้นมาห้าจุดห้าล้านล้านล้านเราก็ไม่รู้เขียนได้ยกยังไงยัไม่รู mm ้ hmm. อ่านยังไงนะฮแล้วก็ตัวเงินจริงๆเราก็นับไม่ถูกแต่ถ้าเขานับเป็นโกรธเป็นปฏิโกธเป็นปฏิปฏิโกรธก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิบต่อสิบสิบ สิบเราก็เปลี่ยนสิบเราก็เปลี่ยนสิบเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆว่ามีตัวเลขตัวเลขลก็มีชื่อเรียกรู้สึกว่าจะสื่อสารง่ายกว่าแต่เราก็ไปนิยมครางไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะแต่ตัวการสําคัญเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าท้าบพระพุทธเจ้าอยู่ในอายตานันิพพานเนี่ยเป็นแล้วนะตรงนี้เป็นหลั อยู่ได้แล้วไม่ต้องพยายามต่อไปแต่การที่พยายามต่อไปที่ทรงใช้คำว่ า, มาไม่รู้จักพอในกุศลธรรมแล้วก็เป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเนี่ยแสดงว่านิพพานมา อ, อยู่ไกลกว่านั้นพวกนี้ยังเป็นโลกิยะนะยังมีพบยังมีชาติตรลองสังเกตว่าทุกแห่งแต่ว่าไม่ได้ต่อไปแต่นั่นเองคือ เป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วราะในข้อความบางอย่างเนี่ยบางตอนบางช่วงเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงตรงนั้นแต่ว่าเป็นช่วงที่รับสั่งเล่าสถานะของพระองค์ในการะในเทศะในการกระทำตรงนั้นรับสั่งเล่าตรงนั้นตรงเป็นอย่างนั้นแล้วนั้นก็คือ อากุปเมวิมุตติเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กำเริบคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันไปเป็นดังเกตหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นไปเลยอายมันติมาญาติเป็นชาติสุดท้ายใม้มีการเกิดในกำเนิดต่างๆอย่างที่บอกแล้วนะว่าการเกิดก็คือเกิดในกำเนิดทั้งสี่ทีนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรูปที่หนาตั้งยี่สิบวานะใหญ่ทั้งยี่สิบวา พระพุทเจ้เป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณนะฮะไม่ได้ใหญ่ด้วยรูปแม้แต่แต่เราที่พูดอย่างพวกฝรั่งเอาไปพูดว่าพระพุทธเจ้าสูง 18, สิบแปดศอกพูดเกินไปนะพูดทำมมันยุ่งทําให้มีปัญหาแต่ว่าขัดแย้งกันเยอะนะฮะอย่าลืมมจีวรที่พระพุทธเจ้าสงคุ้มเนี่ยมันก็กว้างหกคืบยาวเก้าคืบนั่นเอง ยาวอะนะเป็นคืบนะนะับเป็นคืบเนะี่ยถึงว่ากันถ้จริงจีวอนขนาดนี้ยคือถ้าเรานับเป็นเม็ดก็สองเม็ดสามเม็ดนะนรัสองเม็ดสามเม็ดเนี่ยยังพระขนาดดะมานี่ยผมได้อดะมาหกสิบห้าแต่นั่นเองสูงร้อหกสิบห้าเราก็ห่มได้แล้วเราก็ห่มอยู่เวลาเนี้ยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าก็ไม่ได้สูงอะไร เพียงแต่ว่าก็สูงกว่าคนธรรมดานิดหน่อยนะฮะคงจะก็แถวขนาดเนี้ยแถวสิบเจ็ดสิบ้าแปดสิบอย่างมา ก, ก น, นะก็ไม่ใช่ร้อยร้อยแปดสิบห้าอ่ไม่ใช่ร้อยร้อยเจ็ดิห้าร้อยแปดสิบเป็นอย่างมากเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วพระจีวรต้องยาวอย่างอืงอ่นจะตามไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าหน้าตากกว้างถึงยี่สิบวาเนี่ยมันเราเลิกนึกดูเป็นรูปอะไร ยี่สิบวานะฮะมันเป็นตึกขนาดมาคือมาเลยนะใหญ่โตโมราณเลยแล้วเป็นภาพที่น่าประทับใจหรือน่ากลัวภาพใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะน่าประทับใจหรือน่ากลัวพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณคุณนั้นแผ่คลุมไปทั่วสากลจักรวาลนะปัญญาบริสุทธิ์กรลนาในแผ่คลุมไปได้แต่ว่าร่างกายเนี่ยมันกินพื้นที่นะฮะไม่มีเหตุผลอะไรเลย เพราในการสร้างวัตถุใหญ่เนี่ยมันต้องการจะสะท้อนนามธรรมาคือสะท้อนความใหญ่ยิ่งแห่งพระคุลของพระองค์ไม่ใช่ต้องการสะท้อนในรูปธรรมดังนั้นเมื่อมาอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยจุดที่ไม่รู้จักพอในกุศลแล้วก็ไม่ท้อถอยในการทำความเพียรเนี่ยผลปณิฐานอันแน่วแน่ของพระองค์ ที่ทรงแสดงเนี่ยรับสั่งทรงตรงเนี้ยเป็นประโยคที่เราเรียกว่าจตุรงค์กมาประฐานก็ปรากฏหลายแห่งนะฮะ บ, บาลียกมาไว้หลายแห่งเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังหลังนะฮะหนังเอ็นกระดูกจะเกลืออยู่เนื้อเลเลือดในสีระจะเกิดแห้งไปก็ตามเมื่อยังไม่รู้ถึงประโยชน์ อันบุคคลจะรู้ได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบักบันของบุรุษแล้วจากจุดความเพียร น, นั้นเสียเป็นอันไม่มีเลยดังนี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าในความเพียรที่ทรงกระทาในคราวนั้นมันก็มีทางสองทางคือถ้าไม่ตายก็จะสรุปถ้าไม่จัดสรุปก็สิ้นพิชชน แต่ว่าอย่าลืมว่าไม่ใช่ว่านิ่งนิ่งแบบทิฏฐานนะนะะไม่ใช่นิ่งนิ่งแบบทิฏฐานมันต้องมั่นประทัยไปตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทรงสรุปประเด็นต่างๆที่ทรงพิสูจน์ทดสอบมาบนเส้นทางของความเพียรพยายามมันได้ข้ อ, อยุติว่ามีทางนี้ทางเดียวแล้วมันหมดแล้วนะฮะทดลองกันหมดแล้วพิสูจน์ทดสอบกันหมดแล้วตอนนี้ก็มีอยู่เพียงทางเดียวแต่นั้น พระสูตก็ตั้งความเพียรพยายามอยนั้นแล้วรับสั่งเล่าต่อไปตัวนี้คือต่อไปนะถ้าพูดตั้งเหตุการณ์จริงๆก็ยังไม่ถึงรับสั่งเล่าว่าภิกษุทั้งหลายเราได้บรรลุความสัสรู้เพราะความไม่ประมาทแต่บรรลุถึงโยคเขมธรรมอันมีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว ตรงนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยงกล่าวในช่วงหลั ง, งนะฮะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ตามลําดับประวัติศาสตร์ยังไม่ถึงแต่ว่าตอนทรงเล่านั้นเล่าเป็นเหตุการณ์อดีตมาถึงปัจจุบันก็ตอนนั้นก็ถึงแล้วนะมาความปรงุงเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วแล้วก็ผ่านการศัตรูไปนานแล้วสิ่งที่ทรงยกมาแสดง ให้ดอนสังเกตว่าพระองค์เองนะฮะก็ทรงเป็นแบบในการไม่ประมาทตัดสรูปพระความไม่ประมาทไม่ประมาทคืออะไรคือการอยู่ยังมีสติบางทีเราก็แปลว่าการไม่ปราศจากสติคืออยู่โดยมีสติควบคุมอยู่ตลอดโดยเหตุ น, นี้พระองค์จึงสามารถสรัดสร้ได้ พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสติวิปุโลคือทรงภัยบุญด้วยสติกหมายความว่าเป็นความไม่ประมาทสำเร็จทุกกิริยาบทการเคลื่อนไหวตลอดการยาวนานในสี่สิบห้าพรรษานี้ไม่มีคําว่าประมาทเป็นสติที่ปกแพ่อยู่ตลอดเพราะอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม แต่ตามปกติแล้วเราจะไปกำหนดอารมณ์ตามพื้นจิตของเราตามท่าทีของเราที่เรารู้สึกตัวอารมณ์เราดนันแต่พระ เ, เจ้าเองจะไม่กำหนดอย่างนั้นเพราะว่ามีปัญญาเกิดขึ้นเป็นภูมิคุ้มครองพระไถยตํานองคล้ายๆกับใบบอลใบบัวนะฮะคือมันอาศัยความมันที่น้ําไม่สามารถจะซึมลงไปได้แล้วก็ซึมไม่ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นฝนตกจะเป็นเราสาดน้าลงไปอะไรต่างต่าแต่ว่าตรงนี้พูดเป็นอุปมาเอาได้นะฮะเพราะว่าดอกบัวเนี่ยถ้าเราทุบให้มันแหลกมันก็น้าก็ซึมก็ไปได้ใบบัวเนี่ยแต่ว่าพระทัยของพระพุทธเจ้าและจิตใจของพระอนต์ทั้งหลายนั้นก็จะไม่อ่อนไหวไปตามไปตามอารมณ์ที่มากระทบความเพียรตรงนี้จึงถือว่าเป็นความเพียรที่ บางครั้งบางคราวก็นํามาสอนพระภิกษุเห็นว่าองค์นี้ไปไม่ไหวต้องเพิ่มความเพียรมากกว่านั้นก็ส่งยกความเพียรลักษณะเนี้ยที่ส่งใช้มาเนี่ยให้เป็นแนวในการปฏิบัติและแน่นอนว่าหลักการสำคัญคืออย่าพอในกุศลอย่าบอกว่าพอแล้วการเจริญกุศลนี่พอแล้วหรือว่าอย่าทอดทิ้งความพยายาม ศาสตใดที่ยายไม่ยังไม่บรรลุมรรคผลสูงสุดนั้นบุคคลจะต้องพยายามรับไปต้องฟังทงั้งหลายใต้รมประโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี